พระพุทธเจ้าสงสอนให้พวกเรารู้ว่าใจของพวกเรานี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำคัญยิ่ยงกว่าร่างกายของพวกเราเพราะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นเราเราคือใจ ใจเป็นเหมือนคนขับรถร่างกายเป็นเหมือนรถเราอย่าดูแลรถจนกระทั่งลืมลืมดูแลคนขับขับรถไปที่ปั๊มน้ำมันก็เติมน้ำมันเติมลมแต่ไม่เข้าห้องน้ำไม่อับไม่กินข้าวไม่ดื่มน้ำนะเดี๋ยวคนขับก็ตาย คนขับตายรถมันก็จอดอยู่ตรงนั้นไปไหนมาไหนไม่ได้ถ้าเรามัวแต่ดูแลเพียงแต่ร่างกายไม่ดูแลใจใจของเราก็จะเหียวแห้งจะหดหู่จะซึมเศร้าจะวุ่นวายจะเครียดทุกวันนี้พวกเราลืมดูแลจิตใจกัน มัวแต่ไปดูแลร่างกายดูแลสมบัติข้าวของเงินทองดูแลคนนั่นคนนี้แต่ตัวเองไ ม, ไม่ยอมดูแลตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรไม่รู้คุณค่าของการดูแลตัวเองว่ามันมีคุณค่ามากขนาดไหนมัวแต่ไปหลงดูแลสิ่งที่ไม่มีคุณค่า สิ่งที่ดูแลไม่ได้ของต่างๆในโลกนี้รวมทั้งร่างกายนี้ต่อให้เราดูแลดีขนาดไหนก็ตามมันก็ดูแลได้ชั่วคราวเพราะมันเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวในที่สุดก็ต้องทิ้งไปจากกันของทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่ทาวรน มีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมมีเสื่อมมีขึ้นมีลงแต่อให้เราดูแลมันดีขนาดไหนมันก็ต้องเสื่อมมันก็ต้องดับอา่านี่คือความรู้ที่พวกเราไม่รู้กันพวกเราหลงมาดูแลกับสิ่งที่เราดูแลไม่ได้อย่าง จริงดูแลได้เป็นพักๆ เ, เป็นขั้งเป็นคราวพอดูแลไม่ได้ก็สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับเราเวลาเราเสียอะไรไปนี่ร้องห่มร้องไห้กันเสียแฟนเสียลูกเสียสมบัติเสียอะไรต่างๆเสียยศเสียตาแหน่ง เสียรางวัลตอนนี้ก็มาแข่งเอารางวัลบอลโลกกันเวลาเสียก็ร้องห่มร้องไห้กันเวลาได้ก็ดีใจกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลืมละเดี๋ยวก็ไปหารางวัลอย่างอื่นต่อนะตอนนี้ได้รางวัลเหรียญทองเดี๋ยวก็ต้องไปเอาอีกสนามหนึ่งอีกรางวัลหนึ่งต้องไปหามาอยู่เรื่อย หาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอออแล้วพอไม่ได้ก็เสีย อ, อกเสียใจพระพุทธเจ้าบอกให้มาหาสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราดีกว่าหารางวัลเหรียญทองมีที่มีอยู่ในตัวเราดีกว่าอได้เออหรียญทองอันนี้แล้วจะไม่ต้องหาเหรียญทองอะไรต่อไป ได้ตำแหน่งนี้แล้วไม่ต้องไปรับตำแหน่งที่ไหนอีกต่อไปต่อให้ใครตั้งไม่เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ยินดีต่อค่ะให้เขาตั้งเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นสังฆราชก็ไม่ยินดีถ้าได้ตำแหน่งอันยิ่งใหญ่อภายในใจแล้วไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีความหมาย แต่พวกเราไม่รู้กันว่าราบยศสารเสริน ส, สุขอันยิ่งใหญ่นี้อยู่ในใจของเราอยู่ในตัวของเราเรากลับไปหาราบยศสารเสริน ส, สุขที่อยู่ภายนอกใจไปหาทางไปหาที่ร่างกายใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาราบยศสารเสรินหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย หาไปเวลาได้ก็ดีใจเดี๋ยวเดียวได้แล้วก็ไม่อิ่มไม่พออยากจะได้เพิ่มอีกได้เงินมาล้านหนึ่งตอนต้นก็ดีใจสุดๆพอไม่กี่วันเดี๋ยวอยากจะได้สองล้านล้านหนึ่งไม่พอแล้วเดี๋ยวได้สองล้านก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็อยากจะได้ห้าล้านนี่คือ ของที่เราหากันในโลกนี้หาได้เท่าไหร่จะไม่มีคำว่าพอไม่มีคำว่าอิ่มแต่จะมีแต่คำว่าหิวมีแต่คำว่าอยากได้ได้ครึบก็อยากได้สอกได้สอกก็อยากได้วาได้วาก็อยากจะได้สิบวาร้อยวาได้ตำแหน่งได้ในสิบก็อยากได้ในร้อยได้ในร้อยก็อยากจะได้ในพัน ได้ใ น, ในพันก็อยากได้ในพนได้ในพนก็อยากจะได้เป็นผอบอได้เป็นผอบอแล้วก็ทีนี้ก็อยากจะไปเป็นผู้ปกครองประเทศอีกมันอยากไปได้เรื่อยพอได้เป็นผู้ปกครองประเทศก็อยากจะเป็นไปได้เรื่อยแล้วก็ใจก็ดิ้นโลนเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เป็นนายสิบ ในสิบดิ้นยังไงผ อ, อบอก็ดิ้นอย่างนั้นดิ้นแบบเดียวกันทุกแบบเดียวกันเครียดแบบเดียวกันเพราะงั้นการได้อะไรมาในโลกมันไม่ได้ทำให้ใจเราดีขึ้นเลยทำให้ใจเราเหมือนเดิมอาจจะเครียดกว่าเดิมมากกว่าเดิมเพราะเพราะอะไรเพราะผลประโยชน์มันมากกว่าเดิมอตอนเป็นในสิบผลประโยชน์ ที่จะได้จากการเป็นนายร้อยนี่มันไม่มากแต่ก็ผลประโยชน์ตอนที่เป็นนายกแล้วอยากจะเป็นต่อผลประโยชน์มันต่างกันความเครียดมันก็เลยต่างกันความทุกข์ก็เลยมากขึ้นแต่เรื่องของการดิน้นดิ้นเหมือนกันในสิบก็ดิน้นในร้อยก็ดิน้นในพันก็ดิน้นในพนก็ดิน้นนายกก็ดิน้นดิ้นกันไปนะ นี่หละคือสิ่งที่เราหากันดูแลกันไม่มาดูแลคนขับรถเลยไม่มาดูแลใจผู้ที่ต้องดิ้นกับการหาสิ่งต่างๆว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เป็นาราบยศสรารเสริญสุขของใจเลยราบของใจอยู่ในใจราบยศสรารเสริญสุขของใจอยู่ในใจ อยู่ที่ธรรม ะ, ะธรรมะเป็นเครื่องมือที่จะพาให้เราได้ราบยศสารเสริญ ส, สุขของของใจที่เป็นราบยศสารเสริญ ส, สุขที่แท้จริงเพราะถ้าได้แล้วมันจะเกิดคำว่าพอถ้าได้ราบยศสารเสริญ ส, สุขของใจแล้วใจจะไม่อยากได้อะไรในโลกนี้อีกต่อไป ต่อให้ใครให้เงินมาเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีความยินดีแต่แต่รับเอาไว้สนองศรัทธาถ้าเขาอยากจะให้ก็ต้องรับไม่รับเดี๋ยวเขาก็หาว่าบ้าอีกเดี๋ยวหาว่าอวดเก่งอีกอก็ต้องรับไปแต่ไม่ได้รับด้วยความดียินดีไม่ได้รับความด้วยความอยากได้ถ้าเขาให้ก็รับรับแล้วก็เอาไป ให้คนอื่นต่อไม่ได้เก็บไว้รับมาแล้วก็เอาไปให้คนอื่นที่เขาเอาไปใช้ไรายได้ก็ให้เขาไปใช้กันเห็นไหมหลวงตาได้รับทองคำมากี่กี่กิโลกี่ตันก็ให้แบงค์ชาติไปหมดให้ขังหลวงไปหมดใครให้เงินมาก็ให้ขังหลวงไป ขห้เงินมาสร้างโรงพยาบาลก็ให้โรงพยาบาลไปตัวท่านท่านเอาอะไรไว้หรืปลไม่มีท่านก็เอาแค่บาทเดียว <c oughs> ท่านขอวันละบาทเท่านั้นคนที่ร่ำรวยจริงๆนี้ขอวันละบาทเดียวบินทบาทเนี่ยทุกวันก็บินทบาทก็ได้วันละหนึ่งบาทพอนะหนึ่งบาทนี้ก็เหลือเฟือกินไม่หมด นี่แหละคือใจของพวกเราที่พวกเราไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยสนใจหาราบยศเสริญสุขให้กับใจเลยเมื่อแต่ไปหาราบยศเสริญสุขให้กับร่างกายที่เป็นเหมือนรถยนต์โอ้ยประดับประดารถยนต์อย่างดีหาป้ายทะเบียนลักตัวตัวเลขสวยๆมาติดไว้ แต่คนขับนี้ให้กินข้าวผัดให้กินน้ำเปล่าให้เงินเดือนวันละสามร้อยให้หนังค่าแรงขั้นต่ำแทนที่จะมาเลี้ยงดูคนขับให้ดีกลับไปเลี้ยงดูรถซื้อรถราคายี่สิบล้านสามสิบล้านไปซื้อป้ายทะเบียนเลขสวยๆแล้วมันได้แหละคนขับก็ ก็แค่ก็ยากจนเหมือนเดิมเพราะไม่เคยให้ดูแลคนขับเพราะไม่เห็นความสำคัญของคนขับกลับไปเห็นความสำคัญของรถนี่แหละคือความหลงของพวกเราไม่เห็นคุณความสำคัญของใจไม่เห็นประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากใจว่ามันยิ่งใหญ่กว่าประโยชน์สุข จากร่างกายต่อให้ร่างกายได้เงินทองมาเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านความสุขก็ไม่สุขเหมือนกับความสุขที่ได้ทรัพย์ภายในใจได้อริยทรัพย์ในภายในใจความสุขนี้มันมันนับไม่ได้มันมันเหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่แหละ ทำไมพระพุทธเจ้าถึงทรงบอกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าความสุขความเจริญมันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นที่อื่นสุขเท่าไหร่ก็หมดเจริญเท่าไหร่ก็หมดใชมนายกตายไปกี่คนแล้วเงินทองที่นายกหามาได้นี่หายไปไหนหมดนะประธานาธิบดี หรือบรรดาผู้ที่มีลังวี่รางวัลได้รับเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยหายไปทั้งหมดนะที่บอกที่ตายไปเนี่ยมันไม่มีความหมายไม่มีคุณค่าหนาคาะังนั้นพอสูญเสียพวกนี้ไปหมดก็ไปเกิดใหม่โดยไม่รู้ตัวว่าไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่ก็ไปเริ่มต้นที่ศูนย์อีกไปเริ่มใหม่ไปหาใหม่อีก เหมือนอย่างที่พวกเรามาหากันทุกปีทุกพบทุกชาติเนี่ยมาเกิดที่ไรก็ต้องมาเริ่มต้นที่ศูนย์มาตัวเปล่าเปล่าไม่ได้เอาสมบัติที่เคยหาได้ติดตัวมาไม่ได้เอาตำแหน่งที่เคยหาได้ติดตัวมาไม่ได้เอาเหรียญรางวัลต่างๆที่เคยได้ติดตัวมามาเกิดใหม่ก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่มาหาใหม่มาดิ้นใหม่ ของที่หาได้แล้วอยู่กับเราไปตลอดเราไม่หากันาลาภยศสารเสริญสุขที่เราสามารถเก็บไว้ได้กับเรานี้ไม่หากันก็คือาลาภยศสารเสริญสุขภายในใจาลาภยศสารเสริญสุขของใจก็คือความสงบนี่แหละถ้าใจมีความสงบแล้วใจจะมีความสุข เหนือกว่าความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญสุขทางร่างกายแล้วก็จะไม่มีวันจากเราไปจะเป็นของเราไปตลอดเพราะเราคือใจนี้ไม่มีวันตายร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่แต่เราไปหลงคิดว่าเป็นเราเราก็เลยรักมันหวงมันห่วงมันยิ่งกว่า รักหรือหวงใจที่เป็นตัวเราของเราเพราะใจนี้มันไม่ไม่มีรูปร่างหน้าตามองไม่เห็นส่วนร่างกายนี้มันมีรูปร่างหน้าตาที่เรามองเห็นเราก็เลยเห็นแค่ร่างกายแต่ใจนี้มันเป็นฝาแฝดของร่างกายแต่แต่ไม่มีร่างกายเราเลยมองไม่เห็นใจ ก็เลยไม่ดูแลใจไม่รู้จักวิธีดูแลใจกันพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เขาสอนเขาสอนเราเขาก็สอนให้เราดูแลแต่ร่างกายเขาไม่มีใครมาสั่งสอนให้เราดูแลเรื่องจิตใจมีแต่พระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเท่านั้นที่เห็นที่รู้จักใจที่เห็นความสำคัญของใจ ยิ่งกว่าความสำคัญของร่างกายจึงสอนให้พวกเรามาดูแลใจกันมาหาราบยศรเสริญสุขทางใจกันอย่าไปหาราบยศรเสริญสุขทางร้างกายเพราะมันเป็นของปลอมเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปแล้วความสุขที่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์คนที่สูญเสีย เงินทองนี่ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจคนที่เสียตําแหน่งคนที่เสียรางวัลมีแต่ร้องห่มร้องไห้กันเวลาได้มาก็ดี อ, อกดีใจเลี้ยงฉลองกันเจ็ดวันเจ็ดคืนพอสูญเสียไปก็กระโดดตึกตายกันนี่แหละคือความหลงของพวกเรา ที่ไม่รู้ความสำคัญของใจเพราะเราไม่รู้จักเราไม่เคยเห็นใจเราไม่รู้ว่าใจเป็นยังไงทั้งที่เราเนี่ยเป็นใจทั้งที่เรากำลังใช้ร่างกายให้ทำอะไรอยู่ต่างๆแต่เรากลับไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเนี่ยมันมันมันหลงตรงนี้หลงตรงที่ว่าไปคิดว่าเราเป็นร่างกายความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นคนขับร่างกาย ร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์เราเป็นคนขับรถยนต์เราเป็นคนสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆที่มาที่นี่ได้ก็เพราะเราเนี่แหละเป็นคนสั่งไม่ใช่ร่างกายสั่งร่างกายมันสั่งไม่เป็นมันไม่มีความคิดความรู้ความสั่งมันยึงสั่งสั่งตัวมันให้ไปไหนไม่ได้เวลาที่เวลาที่มันไม่มีใจ ขับมันนี่มันทำอะไรมันก็นอนแข็งทื่ออยู่คนตายเป็นคนที่ไม่มีใจแล้วใจแยกออกจากร่างกายไปแล้วพอพอไม่มีใจมันก็ขยับขยื่นไม่ได้ตายอยู่ตรงไหนก็ตายอยู่ตรงนั้นอ่ะต้องให้คนเป็นมาขยับพาเอาไปฝังเอาไปเผาเพราะว่า คนขับคือใจคนขับร่างกายคือใจนี่ไม่อยู่เสร็จแล้วอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยต้องทิ้งร่างกายไปนี่คือเรื่องที่เราต้องมาศึกษามาทำความเข้าใจให้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิด ผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆและการกระทําอะไรต่างๆของเรานี้ก็จะทําให้เกิดาราบยศสารเสริญสุขทางใจหรือให้เกิด เ, เกิดโทษแก่ใจอถ้าเราไม่หาราบยศสารเสริญสุขให้แก่ใจเราก็จะหาสิ่งที่เป็นโทษกับใจเอเอ การกระทาต่างๆที่ใจทำผ่านทางร่างกายนี่เป็นการกระทาที่จะเกิดคุณก็ได้เกิดโทษก็ได้ถ้ารู้ก็จะทำถูกถ้าไม่รู้ก็จะทำผิดถ้าไม่รู้ก็มักจะทำในสิ่งที่จะเกิดโทษกับใจแทนที่จะทำสิ่งที่เกิดคุณประโยชน์กับใจ ระไปทำในสิ่งที่เกิดโทษกับใจเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ใจหาให้กับร่างกายนี่บางทีต้องหาโดยวิธีที่ไปทำให้เกิดผู้ทให้ผู้นเกิดความเสียหายหเดือดร้อนขึ้นมาเช่นเวลาไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินซื้อข้าวกิน หาเงินเองไม่ได้ทำงานไม่มีงานทำหรือขี้เกียจทำก็ไปขโมยเงินของชาวบ้านไปป้นไปจี้เพื่อเอาเงินมาเลี้ยงร่างกายหรือเอาเงินมาเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย อ, อันนี้เป็นการกระทาที่เป็นโทษกัะใจโดยไม่รู้สึกตัวคือใจจะทุกข์ใจจะเครียดใจจะหวาดระแวง ใจจะวิตกกังวลหวาดกลัวเพราะเวลาไปทำอะไรที่เสียหายแกผู้อื่นก็กลัวจะถูกเขาม า, ามาทำร้ายเราเมื่อเราไปทำร้ายเขาเขาก็จะมาทำร้ายเราแต่เวลาอยากได้เงินเขาไม่คิดอย่างนั้นตอนนั้นไม่คิดไม่กลัวเขาเลยตอนนั้นอยากจะได้เงินทองเขา ก็กล้าทำอะไรต่างๆแม้กระทั่งข่าเขาก็กล้าทำแต่ถ้าทำเสร็จแล้วมันจึงมีเวลามาคิดทีหลังว่าวเดี๋ยวทำแล้วมันต้องมีคนมาตามจับเราไปลงโทษล้วเลยทีนี้ก็มีความเครียดมีความวิตกกมีความหวาดกลัวขึ้นมาแทนที่จะทำให้ใจมีความสุขกับทำให้ใจเกิดความทุกข์เกิดความเครียดขึ้นมา เพราะไม่มีใครสอนเรื่องใจว่าอะไรทำให้ใจเครียด <_ d ata> อะไรทำให้ใจสบาย <_ d ata> อะไรทำให้ใจสงบ เ, ออ เ, ออเราจึงต้องมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าออที่รู้ว่าอะไรเป็นคุณ <_ d ata> เป็นประโยชน์กับใจอะไรเป็นโทษกับใจอะไรทำให้ใจทุกข์อะไรทำให้ใจสุข เร้ก็มาสอนให้พวกเรามาทำสิ่งที่ทำให้ใจสุขแล้วก็สอนให้เราละการกระทาที่จะทำให้เกิดความทุกข์แก่ใจขึ้นมาเนี่ที่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาใี้พวกเราจะไม่รู้จักเรื่องของการทำบุญเรื่องของการละบาปเรื่องของการกำจัดกิเลสตัณหา ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเพราะพระพุทธเจ้ารู้ว่านี่คือวิธีที่จะสร้างความสุขและกำจัดความทุกข์ให้ก่ใจนั่นเองการทำบุญจะทำให้ใจเกิดความสุขขึ้นมาการละการกระทาบาปจะกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ใน ใ, นใจ การกำจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงจะกำจัดความทุกข์อย่างถาวรจะกำจัดกามทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิด mm hmm. นี่เป็นสิ่งที่เราจะไม่มีวันรู้กันเราไม่รู้ว่าหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้วเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไปเกิดต่อ mm hmm. จิตของเราไปรับผลบุญผลบาปต่อ mm hmm. ถ้าทำบุญก็ไปรับความสุขถ้าทำบาปก็ไปรับความทุกข์ในช่วงที่เราไม่มีร่างกายนี่บุญกับบาปนี่มันจะเป็นตัวที่จะะดิตความสุขกับความทุกข์ให้กับใจในรูปแบบของมโนภาพเวลาเราไม่มีร่างกายใจก็ยังยังทำงานอยู่ยังเสพสุขเสพทุกข์อยู่ เสมด้วยมโนภาพที่เราบันทึกไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เวลาเราทำบุญเราก็บันทึกมโนภาพที่ดีออทำความดีเราจะบันทึกมโนภาพบันทึกความรู้สึกที่ดีไว้ในใจทำบุญมีความสุขใจอิ่มใจ เ, ออเวลาทำบาปก็บันทึกมโนภาพที่ไม่ดี มีแต่เรื่องวุ่นวายใจเรื่องเครียดเรื่องวิตกเรื่องหวาดกลัวต่างๆพอเวลาที่ไม่มีร่างกายไม่มีเวลาไปหาไปเสพความสุขความทุกข์ทางร่างกายได้ก็อาศัยมนูภาพที่เราบันทึกไว้เวลาที่เราไม่มีร่างกายเช่นเวลาที่เรานอนหลับนี่เราก็เหมือนกับไม่มีร่างกาย ตอนที้เรานอนหลับนี้ใจเราก็เส่มโนภาพมโนภาพที่เราเสพเขาเราก็เรียกว่าฝันฝันดีฝันร้ายพระพุทธเจ้าบอกฝันดีเพราะอะไรเพราะทําบุญคนทําบุญคนที่มีความเมตตานอนหลับจะฝันดีจะไม่ฝันร้ายอคนทําบาปทําไม่ดีนอนหลับจะฝันร้ายนี่ช่วงที่นอนหลับ ช่วงที่ไม่มีร่างกายก็เหมือนช่วงที่นอนหลับเหมือนช่วงที่ตายออันนั้นก็เหมือนนอนหลับแต่หลับยาวไม่หลับเพียงสี่ห้าหกชัวงง่วโมงหลับทีสี 4, 500่ห้าร้อยปีหรือสี่ห้าพันปีจนกว่าจะอได้ร่างกายอันใหม่เอช่วงที่ไม่มีร่างกายก็จะอยู่กับโนภาพที่เราได้บันทึกเอาไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ ถ้าเป็นมนโนภาพที่ดีเราก็เรียกว่าสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเป็นมนโนภาพไม่ดีเราก็เรียกว่าอาบายมนโนภาพของเปรตมนโนภาพของอสุรกายมนโนภาพของนรกมนโนภาพของเปรก็มีแต่ความหิวโหอยอดอยาขาดแคลนหากินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเหมือนตอนที่มีชีวิตอยู่ได้กี่ล้านกี่พันก็ไม่อิ่มไม่พอ ส่วนมโนภาพของอสูรกายก็มีแต่ความหวาดกลัวกับภัยรอบด้านหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังก็หวาดผวาอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนตอนมีชีวิตอยู่ตอนที่มีชีวิตอยู่ก็หวาดกับสิ่งนั้นหวาดกลัวกับสิ่งนี้หวาดกลัวกับน้ำท่วมหวาดกลัวกับไฟไหมหวาดกลัวกับขโมยหวาดอะไรไปหมดเนี่ยวกนี้ก็พวกอสูรกายเนี่ย ดูว่าพวกเรานิสัยเป็นยังไงนิสัยโลภ ก, ก็บอกกำาลังบอกกาลังจะไปเป็นเปรตกันนิสัยหวาดกลัวก็จะไปเป็นอสุรกายกันแล้วถ้าวิสัยอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเคียดแค้นก็จะไปนรกกันเน่นะที่ มโนภาพต่างๆที่เราบันทึกไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนียเวลาเราโกรธเกลียดใครอาฆาตอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมร่างแค้นกันเนี่ยอันนั้นนะกําลังส ร, ร้างนรกขึ้นมาเวลาโลภนี่ก็กําลังสร้างเปรตขึ้นมาเวลากลัวก็สร้างอสุลกายกันขึ้นมาเพราะไม่รู้จักทําบุญถ้าทําบุญแล้วจะไม่มีอาการเหล่านี้ คนทำบุญจะไม่โลภมากเพราะมันมีความอิ่มใจสุขใจจึงไม่หิวไงแต่คนไม่ทำบุญนี่หิวแล้วก็แทนที่จะทำบุญเพื่อให้มันอิ่มกลับไปเอาไปหาทรัพสมบัติข้าวของเงินทองที่ไม่ได้เป็นอาหารของใจได้มาเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอสัที แต่คนที่ทําบุญนี้เขาอิ่มก็พอเขาไม่หิวเขาไม่ต้องมีมากเขาไม่ร่าไม่รวยแต่ใจเขาอิ่มเขาเป็นเศรษฐีบุญอยพวกนี้อุ่นพวกนี้เขาจะมีความสุขมีความเย็นมีความสบายเนียพวกนี้เป็นพวกเทวดาะ เวลาตายไปก็จะมีหนับมนภาพดีๆให้ดูมีแต่เรื่องที่ดีเพราะไปทำแต่เรื่องที่ดีเอาไว้ไปช่วยคนนี้ไปสงเคราะห์คนนั่นคนนี้ไปเที่ยวไปทําให้คนนั้นคนนี้มีความสุขเนี่ยมันก็จะฝังอยู่ในใจเรานี่แหละคือเรื่องของใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่จะต้องไปรับผล บุญผลบาปท <t <t uh uh uh uh uh uh ี่ตนเองทำไว้แล้วพอได้ร่างกายใหม่ก็กลับมาเกิดใหม่ถ้าเคยทำบาปมันก็จะกลับมาทำบาปใหม่ถ้าเคยเป็นเปรตมันก uh ็จะกลับมาเป็นเปรตต่อถ้าเคยเป็นอสุรกายมันก็จะกลับมาเป็นอสุรกายต่อถ้าเคยเป็นสัตว์นรกมันก็จะกลับมาเป็นสัตว์นรกต่อถ้าเคยเป็นเทวดามันก็จะกลับมาเป็นเทวดาต่อ มันเป็นนิสัยเคยใช้มือขวากลับมาก็ต้องมาใช้มือขวาต่อเคยใช้มือซ้ายกลับมาก็จะใช้มือซ้ายต่อเคยชอบสีเขียวกลับมาก็จะชอบสีเขียวต่อเคยชอบสีแดงกลับมาก็จะชอบสีแดงต่อเคยชอบกินอะไรก็จะกลับมากินอย่างนั้นต่อเนี่ยมันของนี้มันไม่หายไปมันติดอยู่กับใจของพวกนี้ไม่ต้องมีใครสอนมลยว่าให้เราเลือกสีอะไร ใช่ไหมถ้าให้เราเลือกเองนี่เราจะเลือกสีที่เราชอบทันทีะสีที่เราไม่ชอบเราไม่เอาแต่ทําไมสีนเดียวกันทำํำไมคนหนึ่งชอบอีกคนหนึ่งไม่ชอบก็เพราะมันอดีตมันไม่เหมือนกันอดีตคนเคยชอบสีนี้อีกคนอดีตไม่เคยชอบสีนี้มันก็เลยไม่ชอบถึงแม้จะมาเกิดเป็นในครอบครัวเดียวกันพ่อแม่คนเดียวกันแต่ใจมันไม่ได้มาเกิดกับจากพ่อแม่ใจมันไม่ได้มาจากพ่อแม่ ใจมันมาจากชาติก่อนใจมาจากชาติก่อนที่ตายไปแล้วมารอรับร่างกายจากพ่อแม่คนใหม่ร่างกายเหมือนกันฝาแฝดเหมือนกันแต่มันความชอบไม่เหมือนกันลองไปสัมษณ์ฝาแฝดดูก็ได้ชอบเหมือนกันไมไม่เหมือนกันนะที่มันใส่เสื้อผ้าเหมือนกันก็เพราะถูกบังคับพ่อแม่สอนให้ใส่มาตั้งแต่เด็กมันก็เลยติดนิสัยมา มันก็เลยเพราะแม่สอนให้ใส่ชุ ด, ชดนี้ใส่เหมือนกันมันก็เลยติดกันมาเป็นเหมือนเครื่องแบบเนหะมือนตำรวจพอเป็นตำรว จ, นนรวจก็ให้ใส่ชุดตำรวจมันก็ติดเป็นนิสัยมันก็ใส่แต่ชุดตำรวจนี่คือเรื่องของใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่เป็นผู้รับผลบุญผลบาปที่ทำไว้ทั้งขณะที่มีชีวิตอยู่และขณะที่ตายไป ขาดมีชีวิตอยู่ก็ความสุขใจทุกข์ใจนี่ก็เกิดจากการทาบุญทาบาปทาบาปแล้วใจจะทุกข์ทำบุญแล้วใจจะสุข น, นี่เรื่องของใจเรื่องของสุขของทุกข์อยู่ที่ใจเรื่องของเวียนว่ายตายเกิดนี่อยู่ที่ใจแล้วก็มีเรื่องที่สามที่พระเจ้าทรงคลนพบก็คือมีวิธีทำให้ใจไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเบื่อกับการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเบื่อกับการที่จะต้องมาทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ก็มีวิธีที่ทาให้เราไม่ต้องมาทุกข์ได้ไม่ต้องมาเกิดได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบว่าเหตุเหตุที่ทำมาทาให้ใจเรายังมาเกิดอยู่เรื่อยๆคืออะไร เ, เหตุที่ทำให้พวกเรามาเกิดอยู่เรื่อยๆคือกิเลสตัณหานี่ย กิเลสก็คือความโลภความอยากอมีอยู่สามความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมีใครบ้างไม่อยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายบ้างมีไหมถามจริงๆอ่ะไม่มีหรอกมีใครอยากไปนั่งหลับตาเฉยๆบ้างไหมเรียกว่ากามตัณหาความอยากทางกามกามก็คือกามมคุณหา้า การมาคุณได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากลิ้มรสดองกลิ่นอยากของอาหารน่าเอลิดอร่อยของเครื่องดื่มที่เอ อ, อเอลดอร่อยออกับร่างกายของคนนั่นคนนี้สัมผัสแล้วรู้สึกมีความสุขได้ใกล้ชิดกับรูปเสียงกลิ่นรสของคนที่เราลักเราชอบแล้วมันมีความสุขก็เลยเสพกามกันอยากกัน นี่คือตัวหนึ่งที่ทำให้เรามาเกิดอีกตัวก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากอยากให้คนเขายกย่องสรรเสริญเยินยอเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องมาหาสิ่งเหล่านี้กันของพวกนี้พ่อแม่ไม่ต้องสอนใช่ไหมถามว่าอยากได้เงินไหมไม่ต้องสอนนะอยากได้เป็นหัวหน้าไห เด็กมันยังแยงกันลระหว่างพี่กับน้องเนี่ย ม, มันอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตวกับคนอื่นอยากให้เขาชมไหมเวลาแม่ชมพ่อชมอดีใจพอแม่ดาหน่อยว่าหน่อยก็เสียอกเสียใจเรียกว่าความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็ตรงกันข้ามอยากไม่จนอยากไ ม, ไม่ได้เป็นใหญ่อยาก อยากไม่ให้เ้าด่าเราอยากไม่แก่อยากจะสาวอยากจะหนออยากจะสาวอยากจะหนุ่มไปไม่มีวันแก่บ้านไม่รู้เลยสวยไม่รู้สางนี่คือมีความอยากไว้พวกนี้นะมีใช่ไหมไม่ต้องมีใครสอนนะแล้วมันเป็นไปได้หรือเปล่า มันก็เป็นไปไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่รู้อยู่มันก็ยังอดอยากไม่ได้มันเขาถึงขายเครื่องสำอางได้เยอะแยะไปหมดเนี่ยมาหลอกขายให้เราว่าใช้เครื่องสำมางนี้่เราจะสวยไปไม่มีวันเ อ, อไม่มีวันสางไม่รู้หรอกว่าถูกหลอกแต่เขาก็รู้ว่าชอบให้หลอกเพราะมันอย่างน้อยก็มีความหวัง ใ ช, ใช้แล้วมัยังมีความหวังดีกว่าไม่ใช้ถ้าไม่ใช้มันไม่มีความหวังเลยเห <c oughs> มือนคนแทงลอตเตอรี่เนี่ยแทงก็ไม่ถูกอะแต่ก็แางเพราะมันมีความหวัง <c oughs> ถ้าไม่ถางมันไม่ถูกเลยใช่ไหมนี่แหละคือความอยากของพวกเราที่พาพวกเรากลับมามีร่างกายอยู่เรื่อย เพราะถ้าไม่มีร่างกายมันจะเสพพวกนี้ไม่ได้เอเสพลูกเสียงกลิ่นรสผลทพะไม่ได้ถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ่นกายเออถ้าไม่มีร่างกายก็หาลาบยศสรรเสริญไม่ได้เอมันก็เลยทําให้เราดิ้นปัญหาก็คือมันไม่ได้เป็นอาหารของใจเลยของพวกนี้หาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอะไม่มีวันที่จะรู้จักคําว่าพอถ้าเราทําตามความอยากเนี่ย มันจึงพาให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆครั้งนี้ไม่รู้เป็นครั้งที่กี่ล้านแล้วพระพุทธเจ้าบอกอยากจะรู้ว่ากลับมาเกิดกี่ครัง้งลองนับนเอาน้ำตาที่เราร้องมารวบรวมกันไว้พระพุทธเจ้าบอกถ้าเอาน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละภพละชาติมารวมกันเนี่ยมันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเจ๊ คิดดูก็แล้วกันจํานวนของร่างกายที่เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันเนี่ยมาหลั่งน้ําตากั น, นกี่ครั้งถึงจะได้น้ําตามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรนี่แหละคือความทุกข์ของพวกเราที่เราได้สะสมกันมาและจะสะสมกันต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้มาพบกับคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเราได้พบแล้วเรามีศรัท ธ, ธาแล้วเราเชื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติตามเนี่ยเราก็จะได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้การหยุดการเวียนว่ายตายเกิดการไม่ได้มาเกิดไม่ได้หมายความว่าเราหายไปไหนเราก็เหมือนตอนที่เราตายไปแล้วยังไม่ได้เกิดเนีตอนนั้นเราก็อยู่กับโมฆะไปใช่ไปตอนที่เราไม่มาเกิดเราก็ ก็อยู่กับมโนภาพเอแต่มโนภาพที่เราสร้างไว้มันมีมโนภาพที่ดีและไม่ดีแต่ถ้าเรามาหยุดการเกิดได้มัหยุดการสร้างมโนภาพได้เราก็จะเหมือนจอทีวีทีวีเวลาปิดจอทีวีแล้วมีอะไรให้ดูไหมมีแต่จอใช่ไหมไม่มีแต่ภาพขาวๆมีแต่อันนั้นดีกว่าไหม ันดีกว่าดูภาพตื่นเต้นตกใจหวาดเสียวหวาดกลัวะนะครับจริงดูจอทีวีเปล่าๆดีกว่าถ้าเราไม่มีความอยากเราดูจอเปล่าๆดีกว่าที่มันดูความดูจอเปล่าๆไม่ได้เพราะมันอยากดูรูปเสียงกลิ่นรสมันเลยดูจอเปล่าๆไม่ได้ดูแล้วก็ไปตื่นเต้นตกใจดีใจเสียใจกับภาพต่างๆแต่ถ้าปิดภาพแล้วดูจอเปล่า ๆ, ๆแล้วใจจะสบายกว่า ใจจะไม่ตื่นเต้นตกใจไม่หวาดเสียวถ้าสุขก็สุขแบบเดี๋ยวเดียวสุกแล้เดี๋ยวพอปิดพอไม่ไม่เห็นภาพที่ชอบก็สุขก็หายไปเสียดายเกิดอาการเสียดายเสียใจขึ้นมาอีกความอยากมันจะพาให้เราเนี่ยต้องไปขึ้นขึ้นลงๆกับอารมณ์ต่างๆเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวตื่นเต้นตกใจเดี๋ยวหวาดกลัวถ้าเราหยุดหยุด เราปิดทีวีได้ดูจอเฉยๆมันจะไม่มีอะไรให้เราตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวหรือดี อ, อกดีใจหรือเสีย อ, อกเสียใจแต่เราไม่เคยสัมผัสกับความสุขแบบนี้กันเพราะเราไม่เคยหยุดสร้างมโนภาพสร้างความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันเราเลยไม่รู้จักว่ามีความสุขที่ดีกว่าความสุขต่างๆที่เราหาจากมโนภาพก็คือการหยุดมโนภาพการทาให้จอใจของเราว่าง ให้มันว่างการจะให้มันว่างก็ต้องทาใจให้สงบหยุดความคิดปรุงแต่งหยุดตัวที่มาสร้างภาพสร้างมโนภาพให้เราดูตัวที่สร้างมโนภาพก็คือเนี่ยความคิดปรุงแต่งต่างๆนั่งอยู่ตรงนี้ยังคิดถึงขนมอยู่ที่ร้านได้เลย <c oughs> คิดถึงแฟนอยู่ที่ไหนก็คิดได้ มันสร้างมโนภาพขึ้นมาแล้วเราก็เสภมโนภาพไปดีใจเสียใจไปกับมโนภาพที่เราเสภอยู่มีดีใจก็ต้องมีเสียใจเพราะมโนภาพมันจะต้องเปลี่ยนมันจะต้องหมดเนยเวลามโนภาพที่ดีหมดไปเราก็เสียใจแล้วพอไปเจอมโนภาพไม่ดีก็เครียดขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาอย่าถ้าเร า, าหยุดการสร้างมโนภาพได้ใจเราจะว่างแล้วเราจะพบกับ ความสุขที่เราได้รับจากจ่อใจที่ว่างมโนภาพที่ว่างนี่อันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีพิษไม่มีภัยเป็นความสุขที่ไม่มีเกิดไม่มีดับนะสุขแล้วสุขไปตลอดว่ามโนภาพมันจะไม่มันมโนภาพว่างมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันจะว่างไปเรื่อยๆเนี่ยที่ถ้าบอกอนิพานเนี่ย นิพพานังปรามังสูนอย่างถ้าหมายถึงมโนภาพใจของเราจะว่างจากภาพต่างๆไม่ใช่ว่าศู์บางคนคิดว่าพอถึงนิพพานแล้วใจจะสูนย์ใจมันจะไปศู์ได้ยังไงใจมันก็ไม่มีวันศูน์มันมีแต่จะสร้างมโนภาพหรือไม่สร้างมโนภาพเท่านั้นเองถ้าใจที่ไม่สร้างมโนภาพเราก็เรียกว่านิาพพาน เพราะใจที่ไม่มีมโนภาพนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นบร ม, มสุขนิพพานังปลมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขอย่างเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เรามาหยุดสร้างมโนภาพกันหยุดสร้างความความอยากต่างๆการสร้างความคิดต่างๆกันนี่แหละเราถึง้องมากําจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา ต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือในการที่เราจะมาหยุดการสร้างมนุภาพได้มานั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบมนุภาพต่างๆก็หายไปก็จะเป็นมอนเป็นเหมือนกระจอทีวีที่ปิดภาพต่างๆดูแต่จอเปล่าๆนั่งสมาธิไม่ให้ดูอะไรไม่เห็นอะไรให้เห็นความว่าง เพราะความว่างเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่ไม่มีพิษไม่มีภัยไม่เป็นอันตรายไม่เหมือนกับภาพที่ดีเวลามันดีเวลาเห็นภาพที่ดีก็ดีใจพอภาพที่ดีหมดไปก็เสียใจนะลราอยากจะดูอีกแล้วพอไม่ได้ดูก็เสียใจเครียดขึ้นมาฉะนั้นคนนั่งสมาธิระวัง ที่คนก็บอกว่านั่งแล้วเห็นนู่นเห็นนี่มันกําลังถูกหลอกนั่งเพื่อไม่เห็นนู่นเห็นนี่เห็นก็อย่าไปสนใจมันเป็นมันเป็นภัยมากกว่าเป็นโทษเป็นคุณนมันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณอย่าไปติดก็เรียกว่าติดนิมิตเนี่ยพวกที่นั่งสมาธิแล้วไปติดภาพนี่ติดนิมิตนั่งแล้วต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นเทวดาเห็นเปรตเห็นผี พอไปเห็นภาพที่น่ากลัวก็ตกใจไม่กล้านั่งอีกต่อไปวิธีนั่งที่จะไม่ให้เห็นภาพไม่ให้ตกใจก็นั่งนั่งด้วยด้วยสติต้องมีสติคอยกํากับใจคอยควบคุมตัวที่สร้างมโนภาพก็คือความคิดนี่เองเราก็ต้องพุโทโธพุโทโธเวลานั่งอย่านั่งเฉยเฉยอย่าหยุดพุดโทโธถ้าหยุดพุดโทโธแป๊บเดี๋ยวมโนภาพมันจะเกิดขึ้นมา ถ้าเราอยู่กับพุโทโธมโนภาพถึงแม้จะเกิดเราก็ไม่เราก็ไม่ต้องไปสนใจมันเราก็อยู่กับพุโทโธไปแล้อดูลมหายใจไปแล้วแต่เราจะเลือกใช้สติมีหลายวิธีจะใช้พุโทโธเป็นตัวสติกํากับใจก็ได้จะใช้การดูลมหายใจเป็นตัวกํากับใจก็ได้ถ้าเรามีอะไรคอยกํากับใจมันก็เป็นเหมือนรถที่มีคนขับถ้ารถมีคนขับมันก็จะวิ่งอยู่บนท้องถนน ถ้าลราไม่มีคนขับเดี๋ยวมันก็แหกโค้งตกเหว <c oughs> ชนกับคันอื่นนี่คือเวลานั่งสมาธิต้องมีสติคอยกํากับใจคอยควบคุมความคิดอย่าให้มันคิดถ้ามีอะไรมาโผล่ให้เห็นก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับตัวเบรกเหยียบเบรกไปเรื่อยๆสตินี่เป็นเบรกพุทโธนี่เป็นเบรกดูลมนี่เป็นเบรกแล้วต่อไปเดี๋ยวใจก็จะว่าง ใจก็จะหยุดผลิตมโนภาพต่างๆพอมันว่างมันสงบแล้วก็เย็นสบายเบาอกเบาใจเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพอเราได้ทาสมาธิแล้วทีนี้เราจะรู้แล้วว่าการไม่มีความอยากนี่มันดีมันสบายไม่เครียดไม่ต้องไปวิ่งเต้ น, ห า, ห, น, นหานู่นหานี่หามาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอหาวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องออกไปหาอีก หาต่อหาไปเรื่อยๆหาจนวันตายตายแล้วก็ต้องกลับมาหาใหม่ เ, เริ่มต้นใหม่หามาได้แสนล้านพอตายไปก็กลายเป็นของคนอื่นไมหมดแล้วตัวเองก็กลับมาเกิดที่ศูนย์ใหม่มาเริ่มหาใหม่หาให้คนอื่นใช้ต่อไปโง่หรือฉลาดไม่เคยคิดไม่เคยคิดว่าจะต้องตายไม่เคยคิดว่าเงินทองที่หามาได้นี่จะกลายเป็นของคนอื่นไปต่อไป อันนี้คือเรื่องของใจเราต้องมามาดูแลใจดูแลสามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็หาความสุขให้กับใจด้วยการทําบุญก่อนทําบุญช่วยคนอื่นให้ทําให้คนอื่นก็มีความสุขแล้วเราจะมีความสุขมีความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาข้อที่สองก็หยุดการกระทําบาป อย่าไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นถ้าจะทาอะไรก็ต้องระมัดระวังดูผลกระทบที่จะเกิดกับผู้อื่นถ้าจะหาเงินก็อย่าหาเงินแบบทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนหาเงินด้วยการขโมยเงินของคนอื่นเนี่ยก็ทำให้เขาเดือดร้อนขึ้นมา หาเงินเราก็ไปทางานขเราทำอาชีพสุดจริตค้าขายทำมาค้าขายรับจ้างหรือทาอะไรได้เงินทองมาอย่างนี้ก็จะไม่เป็นบาปไม่ไม่ไปทำให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนใจเราก็จะเย็นจะไม่ไม่ร้อนไม่วุ่นวายใจแล้วถ้ามีเงินเหลือเยอะจากการหาเงินทองมาก็เอาไปทำบุญถ้ายังไม่มีเงินทาบุญก็ยังไม่ต้องทำบุญ บุญนี้เป็นเป็นเรื่องที่เราจะใช้ต่อเมื่อเรามีความสามารถจะทำได้แต่บุญไม่ได้เกิดจากการใช้เงินอย่างเดียวการทำอะไรให้กับคนอื่นโดยไม่ใช้เงินก็เป็นบุญได้ไปช่วยเขาทำงานไปช่วยเขากวาดบ้านถูบ้านก็เอาก็เป็นบุญได้ถ้าเราไม่ไปรับค่าจ้างเงินทองจากเขา ไปช่วยเหลือคนที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้ช่วยคนแก่คนชราคนพิการอานนี้ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันทำประโยชน์ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นไม่มีเงินก็ทำบุญได้แต่ถ้ามีเงินมันก็ทำก็ทาได้อีกแบบหนึ่งมันก็แทนที่จะไปทำเองก็เอาเงินไปให้เขาไปจ้างคนอื่นมาทำแทนเราเพราะว่าเราจะได้ไปหาเงินมา มาทำมากกว่าที่เราจะมาทำเองหรือว่าเราเราเราอยากจะไปทำอย่างอื่นที่สำคัญกว่าเช่นเราอยากจะไปหยุดกิเลสตัณหามีเงินที่เหลือไม่ต้องใช้ก็เอาไปทำบุญให้หมดคนที่มาบวชเนี่ยเขาไม่ต้องใช้เงินละเขามีเงินเท่าไหร่เขาก็ยกให้คนอื่นไปอันนี้ก็เป็นการทำบุญ แล้วก็ไม่ต้องมาคอยดูแลรักษาไม่ต้องมาคอยกังวลดอกเบีย้ยขึ้นดอกเบีย้ยลงธนาคารนี่จะเจ๊งไม่เจ๊งไม่ต้องมากังวลถ้าไม่มีเงินนะมันก็สบายใจมันก็ไม่ต้องมาคิดวุ่นวายเวลาไปบวชเพื่อไปทำใจให้สงบนี้มันต้องไม่มีเรื่องมาผูกพันถ้ามีเรื่องมาผูกพันแล้วมันวุ่นวายใจมันจะนั่งสมาธิไม่ได้ทาใจให้สงบไม่ได้ มันจึงต้องไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าดึงให้นักบวชไม่ให้มีอะไรให้มีสมบัติแค่แปดชิ้นเท่านั้นสมบัติที่จำเป็นต่อการของชีพคือมีมบาทหนึ่งใบไว้หาอาหารมีจีวรสามผืนไว้เป็นเครื่องนุ่งหม่มมีเข็มกัดได้ไว้สำหรับปะเย็บจีวรมีเข็มขัดรัดเอวเวล า, าแล้วก็มีที่ตักน้ำที่กองน้ำ แล้วก็มีมีดโกนไมสำลักโกนศีษะโกรหนวดนี่พอละสมบัติของนักบวชไม่มีอะไรพลุงพลังไม่มีอะไรจะต้องมาวิตกกังวลห่วงใหญ่ก็จะสามารถจเจริญสติควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ง่ายพอหยุดได้นั่งสมาธิจิตสงบก็ได้พบกับความสุข ที่ดีกว่าเงินทองร้อยล้านพันล้านที่ดีกว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ดีกว่ารางวัลเหรียญทองรางวัลฟุตบอลโลกไม่ต้องไปเหนื่อยไปวิ่งงันเตะบอลนุล้ให้เหนื่อยกันั่งทำใจให้สงบสบายกว่ า, าไม่ต้องไปเจ็บเนื้อเจ็บตัวขาแข้งหักกันอย่อางนี้แหละคือวิธีที่เราจะหยุดความอยากหยุดการเวียนว่ายตายเกิด เพราะเมื่อเรามีความสุขในตัวแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขนอกตัวเราเราก็หยุดความอยากได้เวลาอยากไปเที่ยวก็ไม่ไปเวลาอยากจะไปดูหนังฟังเพลงก็ไม่ดูไม่เดือดร้อนไม่ดูไม่เดือดร้อนเพราะมีความสุขในใจแต่ถ้าคนยังไม่มีความสงบนี่หยุดไม่ได้ถึงแม้ว่าไม่ดีไปเที่ยวไม่ดีเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ก็ยังอดไม่ได้ มีแฟนไม่ดีก็ยังอดไม่ได้แต่ถ้ามีความสุขในใจแล้วมีความสงบแล้วทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่คือวิธีที่เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดก็เราต้องมีศีลเพื่อที่จะสนับสนุนการฝึกสมาธิเมื่อมีสมาธิเราก็จะมีความสุขที่จะสนับสนุนปัญญาให้เราสอนให้เราเลิกความอยากต่างๆได้เราเกิดความอยากแล้วบอกไม่เอาดีกว่า อยากก็เดี๋ยวต้องกลับมาเกิดใหม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่สู้อย า, ยากดีกว่าถ้าใจมีความสุขก็เลิกได้ไม่เดือดร้อนแล้วต่อไปความอยากต่างๆก็จะหมดไปจากใจใจก็จะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายใจไม่ต้องมาเกิดใจก็อยู่ที่นิพพานที่ไม่ต้องเกิดอยู่ในโลกทิ่ที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตาย นอกนั้นต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมก็จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายแต่ถ้าขึ้นไปถึงโลกของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานนิพพานไม่ได้หายไปไหนใจไม่ได้หายไปไหนคำว่าหายก็คือมโนภาพต่างๆที่ใจสร้างไว้มาเสพนี้หายไปหมดไม่มีมโนภาพมา มามาหลอกล่อใจต่อไปใจอยู่กับความว่างอยู่ความสงบอ ย, อยู่กับความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่ต้องมาหลังน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกต่อไปนี่คือเรื่องของเรื่องของใจที่เรามาเรียนรู้กัน เพื่อเราจะได้เปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตแทนที่จะให้ความสำคัญกับร่างกายแทนที่จะให้ความสำคัญกับลาบยศสรรเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายให้เรามาให้ความสำคัญกับใจด้วยการปฏิบัติสิ่งที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับใจก็คือทาบุญละบาปแล้วก็ชาระกิเลสตัณหาให้มันหมดสิ้นไปจากใจ แทนที่จะไปหาเงินหาทองหาลาบยศสรรเสริญอย่างที่คนต่างๆก็ทํากันเรามาทําตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เคยเป็นคนในโลกเคยหาลาบยศสรรเสริญมาก่อนแต่ท่านเห็นว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วเดี๋ยวจะต้องไปเจอความแก่ความเจ็บความตายก็จะหาไม่ได้เอาอะไรเปลี่ยนวิธีหาความสุขมาหาความสุขแบบนักบวชดีปา มาหาความสุขด้วยการทำบุญด้วยการละบาปรักษาศีลด้วยการมาชาระใจให้สะอาดด้วยการนั่งสมาธิจเจริญปัญญาพระพุทธเจ้าก็เลยได้ดูลาจิตใจได้อย่างถูกต้องทำให้จิตใจนี้ปราศจากความทุกข์มีแต่ความสุขไปตลอดเราท่านก็เอเมตตาเอาความรู้นี้มาสั่งสอนพวกเราถ้าพวกเราได้พบกับ คำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับสาวกของพระพุทธเจ้าพวกเราก็จะได้รู้จักวิธีดูแลรักษาใจของพวกเราแล้วถ้าเราเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้รักษาใจของเราทำให้ใจของเราเป็นเหมือนใจของพระพุทธเจ้าได้นี่คือสิ่งที่เราต้องนำเอาไปพินพิจารณากัน ผู้แสดงก็เพียงแต่มีหน้าที่บอกส่วนผู้ฟังก็ต้องไปคิดกันเอาเองว่าจะเอาอยัางไงดีจะเอาทุกข์หรือจะเอาสุขดีจะเอาราบยศสรรเสริญหรือว่าจะเอามรรคผลนิพพานจะเอาการเวียนว่ายตายเกิดหรือจะเอานิพพาน ก็ต้องไปตัดสินใจเอาเองเราเป็นเหมือนคนขายประกันจะซื้อไม่ซื้อจะซื้อบริษัทนี้แล้วจะซื้อบริษัทอื่นก็นแล้วแต่วันนี้บริษัทนี้ก็มามายื่นข้อเสนอของบริษัทนี้แล้วก็ไปพิจารณาไปเลือกเอาก็แล้วกันเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตาหนังอุปปักปฏิอิจิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะหราโยทามะนิโชติหระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโขวินัสตุมาเตปวัตวันตารโยสุขีทีฆายุโกภะ อภิวาทนาสีลิตสานิจังวุธาปจายโนจตารูธรรมาวทานิอายุวันโอสุขังภาลังตอนนี้เอาภาษาไทยชั้งนิดก่อนก็ไดนะ้เดี๋ยววันนี้เข้ามาเท่าไหร่ ทางเ c e b o o k 419 y ู u t u b e 1 34วิทยุออนไลน์34รับฟังบนเขา58รวม645ค่ ะ, ะทางบ้านวันนี้ภาษาไทยมีเวลานิดหน่อย10กว่านาทีถามมาเลยคำถามจากทางไลน์ค่ะ เมื่อดิฉันได้ปัญญาตัวรู้ได้สัมผัสสภาวะจิตที่สงบและเยือกเย็นดิฉันมีสติมากขึ้นจิตมันฉลาดมากขึ้นรู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาบรู้คุณรู้โทษจิตมันสามารถแยกได้และจิตเบามากขึ้นเหมือนนอตที่ถูกคลายเกลียวไม่รู้สึกหนักเหมือนก่อนที่ยังไม่มีความรู้ตัวนี้เข้ามาขณะนี้มีความสุขอยู่กับความรู้ใหม่ที่เข้ามาและความยินดีในการมาคุณทั้งห้า ของดิฉันหายไม่คิดแสวงหาอะไรอีกเพราะว่าขนันท่ามีแต่ความทุกข์เป็นภาระดิฉันต้องการทราบว่าการพัฒนาคุณภาพจิตของดิฉันอยู่ในขั้นใดก็อยู่ที่ว่าเราอยู่กับสิ่งใดยังอยู่กับสิ่งใดอยู่หรือเปล่าขั้นสูงสุดก็คือเราต้องอยู่คนเดียวอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบไม่มีอะไรเลยนอกกายนอกใจไม่มีอะไรเลย ถ้ายังมีสมบัตินอกใจอยู่นะครับยังมีสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้อยู่ยกเว้นปัจจัยสี่ก็ยังถือว่ายังติดอยู่ถตายังต้องมีเงินทองอยู่ถ้ามีเงินทองไว้สำหรับใช้ใจ่ายปัจจัยสี่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ายังต้องมีเงินทองไว้ซื้อขนมกินไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปอะไรต่างๆอยู่ยังต้องต่อเน็ตต้องอะไรอยู่ อย่างนี้มันก็ยังอยู่ยังยังมียังติดใจรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ยังติดกับโลกอยู่ต้องไปอยู่คนเดียวไม่รับรู้อะไรทั้งหมดในโลกนี้ใครจะเป็นใครจะตายก็ไม่รับรู้ไม่สนใจมองทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นแค่ดินน้ำลมไฟไปคำถามจากทางาย่จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าเราแยกจิต จากกายได้คือป่วยอยู่ได้อีกไม่นานก็รับรู้เฉยๆไม่กลัวตายถึงเวลาตายก็ตายก็มาคิดเรื่องจัดการยกสมบัติธุรกิจให้ลูกๆแต่คิดแบบรู้ตัวไม่คิดฟุ้งซ่านเพราะโยมหมัน่นเจริญพุทโทตั้งแต่ตื่นจนนอนตามที่พระอาจารย์สอนแบบนี้ถูกต้องไหมคะถึงแม้จะไม่ห่วงกายตัวเองแล้ว ก็ถ้าเราไม่วุ่นวายกับอะไรก็ใช้ได้ไม่วุ่นวายกับการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่วุ่นวายกับทรัพสมบัติเก้าของเงินทองที่จะแบ่งไม่วุ่นวายกับคนรับว่าจะพอใจหรือไม่พอใจบางทีแบ่งยังกังวลว่าเขาจะพอใจไม่พอใจไม่ต้องไปกรงใจมันหรอกเงินของเราจะให้ใครก็ได้มันไม่พอใจก็ไม่ต้องให้มันเลย คำถามอีกท่านค่ะเข้าหมากใส่บาตรได้ไหมคะมันเป็นเงินของบุญเมาเนี่ยถ้ากินแล้วเมาไดใช่ไมไม่ไม่ไมได้ยมใส่พระฉันสุราไม่ได้ถือว่ามีส่วนผสมของสุราอยู่มีสุราอยู่ในนั้น คำถามจากทางเฟซบุ๊คุณชาญชัยผมมีความฟุ้งซ่านมากครับเวลาภาวนาผมเลยสู้มันด้วยคำบริกรรมพุทโธและดูลมหายใจโดยพยายามดูลมผ่านบริเวณหว่างคิว้วพร้อมตั้งภาพพระพุทธเจ้าไว้ไม่ให้นึกเรื่องอื่นผมภาวนาแบบนี้ตั้งไว้หนึ่งชั่วโมงได้ไหมครับขอคำแนะนำพระอาจารย์ครับ คือให้มันควบคุมความคิดความฟุ้งซ่านให้ได้ก็แล้วกันเวลามันอยู่ที่ว่าเราคุมมันถ้ามันครึ่งชั่วโมงมันหยุดฟุ้งก็ก็หยุดได้ถ้ามันยังไม่หยุดก็ต้องสู้กับมันไปจนกว่ามันจะหยุดเหมือนรถที่เราจะให้มันหยุดเนี่ยถ้ามันยังไม่หยุดเราจะปล่อยเบรกได้ไหมใช่ไหมเราก็ต้องเหยียบมันไปจนกว่ามันจะหยุดเนี่ยถ้ามันไม่หยุดเราก็อย่าปล่อยเบรกวิธีที่เราจะเบรกใจก็แล้วแต่อุบายของแต่ละคน บางคนก็ใช้พุโทโธบางคนก็ใช้ลมบางคนก็ใช้ภาพของพระพุทธเจ้าอะไรก็แล้วแต่ให้มันหยุดความคิดฟุ้งซ่านได้ได้ครัลองกันค่ะำถามจากทางไลน์ค่ะจิตของมนุษย์นี้คือพลังงานอย่างหนึ่งหรือเปล่าคะคือคําว่าพลังงานหรืออะไรนี่มันเป็นเพียงแต่คํานิยามที่เรามาแปะให้มันกับมันนี่แต่มันไม่ได้บอกเราว่ามันเป็นพลังงานหรือมันไม่เป็นอะไรมันเป็นตัวรู้ตัวคิดเนี่ย จิตมันมีมีสี่มีความรู้สึกนึกคิดมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ตัวรู้เนี่ยนี่คือตัวจิตแต่ไปเรียกว่าเป็นพลังงานหรือเป็นอะไรก็สุดแท้แต่เพราะฉะนั้นก็เป็นแค่ป้ายที่เราไปแปะไว้เหมือนเวลาเราไปทํางานก็แปะป้ายมันเป็นเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นผู้ใหญ่เป็นกำนันก็แปะป้ายไปแต่ร่างกายมันไม่ได้ว่ามันเป็นน้ำมันเป็นกำนันหรือเป็นอะไรหรอก อันนี้เราเป็นสมมุติเราไปปะมันไว้เท่านั้นเองคำถามจากทางเฟ e บุ o กคุณพิมพรค่ะ หนูดูใจตัวเองว่าเวลาเราทําบุญทําบ่อยๆแล้วมีความสุขใจตัวเองไม่หิวคิดแต่ว่าจะเอาอะไรไปทําบุญดีจะทําอาหารอะไรดีไปทําบุญค่ะแล้วก็คิดอยากเอาของไปฝากเพื่อนๆไม่ห่วงตัวเองเลยมันเป็นแบบนี้จริงๆเจ้าค่ะการทําบุญมันทําให้เรามีน้ําใจที่ดีไม่มีความโลภโกรธหลงกับสาธุเจ้าค่ะกับอโนโรบุรอันโมทนาบุญกับในธรรมะดีๆที่ทําให้เรามีความสุขในคันฝั่งเจ้าค่ะ ถูกไหมเจ้าคะสาธุสาธุคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหนึ่งคนที่บรรลุนิพพานตอนมีชีวิตเมื่อสิ้นชีวิตลงเวทนาสัญญาสังขารจะดับไปจากจิตหรือวิญญาณขันธ์ไหมคะมันอยู่เพียงแต่วไม่ทำงานเี่มันเป็นเหมือนแขนขาของเราเนี้พอเราออกจากคุกแขนขาของเราก็ยังอยู่กับเราใช่ไหม <laughs> เพียงแตวไม่ได้ติดอยู่ในคุกแล้ว เปนอะไรอในคุกอาจจะถูกบังคับให้ใช้งานทํางานทำนู่นทํานี่ก็รเราออกมาจากคุกเราก็ไม่ต้องไม่ใช่วงไม่ต้องใช้แขนขาทําอะไรก็ได้ดังนั้นนามขันเสียงนี้มันอยู่กับใจตลอดเพียงแต่ว่าจะมันจะทํางานหรือไม่ทํางานเท่านั้นเองเออขึ้นอยู่กับมีอะไรไปกระตุ้นมันหรือเปล่าของพวกเรามันมีอวิชชาเป็นตัวกระตุน้นอวิชชาปจัจจญาสังขาราเห็นไหม อวิชากระตุ้นให้สังขารคิดปรุงแต่งสังขารก็ปรุงไปหาวิญญาณวิญญาณก็ไปหาตาหูจมูกลิ้วกายตาหูจมูกนิ้นกายก็ไปหารูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันก็เป็นมีตัวกระตุน้นพอไม่มีตัวกระตุน้นไม่มีร่างกายมันก็เลยไม่มีอะไรที่จะไปมันไม่จะไปปรุงแต่งหาอะไรในเมื่อมันมีความสุขในตัวมันแล้ว มันมีความอิ่มความพออยู่แล้วมันก็เลยไม่ต้องไปปรุงแต่งหาความสุขจากที่อื่นมันก็ไม่ทำงานแต่ถ้ามันอยากจะทำงานก็ทำได้เช่นพระพุทธเจ้าบางองค์คิดถึงลูกศิษย์หรือคนที่เคยรู้จักการรู้ตอนนี้กำลังบาเพ็ญเพียรอยู่อย่างงอย่างนลวงปู่มั่นนี่ท่านบอกมีพระพุทธเจ้ามาเยี่ยมท่า น, น ขครจะว่าไม่ไมีจริงก็ไม่จริงก็ลองพิสูจน์พิจารณาดาูเราก็แล้วกันท่านก็ยังใช้ขันได้แต่ถ้าไม่มีอะไรให้ ใ, หใช้ท่านก็ไม่ใช้ขี้เกียจแต่พอท่านเห็นว่าคนสนิทกันเป็นเพื่อนสนิทกันมานานแสนนานตอนนี้กำลังจะปฏิบัติเพื่อนิพพานก็มาให้กำลังใจอย่างนี้ท่านก็มาแล้วพอดีหลวงปู่ม่านท่านก็มีพลังจิตที่จะรับ รับสัญญาลับขึ้นของผู้ที่ผู้ที่ไม่มีร่างกายได้หลวงปู่มันท่านติดต่อพวกกายทิพย์ได้พระพุทธเจ้าก็เป็นกายทิพย์อย่างหนึ่งะท่านก็มาติดต่อได้พระอรหันต์ก็มาติดต่อกับหลวงปู่มันได้มาสแสดงธรรมมาสอนธรรมะให้กับหลวงปู่มัน่นนะคนถึงแปลกใจว่าท่านอยู่ในปา่าในเผาคนเดียวท่านไปศึกษากับใครวะมาไต่ พ, ตพิโดกก็ไม่ได้มีขนไปคมภีร์ก็ไม่มีเอ นะคนนี้มีพลังจิตนี่เขามีพระอาหารหันต์มีพระอุตจ้า ม, มาสอนอมีกัไหมอีกข้อที่สองค่ะท่านเดิมการมีสติโดยเอาจิตอยู่กับลมหายใจและอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายได้ตลอดเวลาหากขณะนั้นเกิดตายจิตสามารถไปนิพพานได้เลยไหมคะเพราะจิตไม่มีความคิดปรุงแต่งขณะนั้นอ๋อไม่ไม่ใช่ความคิดปรุงแต่งนะที่จะทาให้เราไปนิพพานนะไปนิพพานแล้วก็ยังมีความคิดปรุงแต่งได้ เพียงแต่ว่าอยากคิดไปในทางกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆนั้นอยู่ที่ว่าเราตัดความอยากได้หรือเปล่าถ้ายังมีความอยากอยู่ถึงมันจะไม่มีความคิดเดี๋ยวความอยากมันก็โผล่ขึ้นมาได้ฉะนั้นต้องตัดความอยากให้ได้จะตัดได้ก็ต้องรู้เวลาความอยากโผล่ขึ้นมาแล้วไม่ทําตามมันเท่านั้น ถึงจะรู้ว่าเราตัดความอยากนายจนอยากจะเที่ยวก็ไม่เที่ยวอยากจะเที่ยวกี่ครั้งก็ไม่เที่ยวจกนกระทั่งความอยากเที่ยวมันหายไปมันถึงจะรู้ว่าตัดความอยากได้ คำถามจากคุณวรวรรณถ้าเวลาตายไปแล้วเป็นเหมือนความฝันเราสามารถนําพุโทโธไปด้วยหลังตายได้ไหมเจ้าคะถ้านําพุโทโธไปได้คิดว่าไม่ว่าจะฝันดีหรือฝันร้ายก็จะมีสติและมีความสงบเจ้าคะ่ะถ้าจะนําพุโทโธไปด้วยต้องปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะก็ต้องให้มันเป็นนิสัยไงถ้ามันเป็นนิสัยก็พวกนี้ก็จะเป็นพวกเข้าชานไปก็จะมีมโนภาพที่ว่าง แต่ว่างไม่ไมถาวรเพราะยังมีกิเลสคอยดันออกมาอยู่มีความอยากก็เป็นพวกพรมไปก็จะเสพมโนภาพที่ว่างเหมือนตอนที่นั่งสมาธิแต่เดี๋ยวกำลังสติหมดเรือกำลังกิเลสมากกว่ามันก็จะดันให้เราไปหาภาพหามโนภาพมาเสพต่อ คำถามจากคุณมินกระสินใช้แนวทางหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งทำให้ไปถึงความดับทุกแท้จริงไหมคะที่นะพูดกันกระสินสิบ<ม>ต้องมาใช้ในการฝึกและละมันตอนท้ายคือกระสินก็เหมือนพุโทโธเนี่ยแทนที่จะท่องพุโทโธก็ให้ให้เพ่งภาพเ พ, เพ่งดูสีอะไรสักอย่างเช่นสีเขียวให้ดับตาแล้วทำมโนภาพให้เป็นเต็มไปสีเขียวในมโนภาพอ อันนี้ก็เรียกว่ากสินการใช้ภาพใช้สีอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นอารมณ์แทนที่จะใช้ลมหายใจเข้าออกหรือจะใช้พุทธโธก็ใช้สีใช้ภาพไปเท่านั้นเองอก็เป็นวิธีทำสมาธิเท่านั้นเองอคำถามจากทาง YouTube จากคุณโอวัตร ผมชอบสวดมนต์ได้นานเป็นชั่วโมงแต่เวลานั่งสมาธินั่งได้ไม่เกิน15นาทีผมสวดมนต์แทนการนั่งสมาธิได้ไหมครับก็สวดไปก่อนสวดจนกระทั่งจิตสงบแล้วก็นั่งต่อพอจิตเหนื่อยไม่อยากจะสวดแล้วก็นั่งดูลมต่อก็จะนั่งได้นานขึ้นเบื้องต้นอาจจะจิตมันฟุ้งมากมีกําลังมากต่อต้านมากก็ใช้การสวดมนต์สยบมันก่อนพอมันสยบลงแล้วเราก็ดูลมต่อไป ก็จะนั่งได้นานนานกว่าที่เราเคยนั่งถ้าเราเริ่มต้นนั่งปุ๊บ ม, มันจะนั่งได้นิดเดียวแต่ถ้าเราสวดไปสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วหลังจากนั้นนั่งต่อนี่อาจจะนั่งต่อได้ยาวคําถามสกุลเอสถ้าเราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราแล้วคือได้โสดาบันเมื่อตายแล้วมาเกิดเป็นคนใหม่ความรู้สึกว่ากายไม่ใช่เรามันจ ะ, ะระลึก ข, ขึ้นมาได้เองเลยใช่ไหมคะ มันรู้สึกยังไงมันก็จะรู้สึกอย่างนั้นต่อไปอเดี๋ยวคำถามสุดท้ายนะค่ะเจ้าค่ะคำถามสักุลปะพาพันเวลาคนมายืมเงินเราควรปฏิเสธหรือให้ดีคะเพราะรู้แน่ว่าคงไม่ได้คืนมันก็มีหลายหลายปัจจัยที่เราควรจะต้องพิจารณาหนึ่งคนที่เขามายืมนี่เขามีบุญคุณกับเราหรือเปล่าเราเป็นหนี้บุญคุณเขาหรือเปล่าเขาเคยช่วยเหลือเราหรือเปล่า ถ้าเขาเคยช่วยเหลือเราเราก็ควรจะตอบแทนบุญคุณเขาไปถ้าเราตอบแทนได้ให้เหมาะสมกับบุญคุณที่เขาทำกับเราเราก็อย่าไปหวังเราอเงินคืนเขาให้คืนก็รับไว้เขาไม่ให้คืนก็ไม่ไม่ถือโทษกรธเคืองคิดว่าเป็นการช่วยเหลือตอบแทนบุญคุณกันไปแต่ถ้าเขาไม่มีบุญคุณเลยแต่ถ้าเราสงสารเขาอยากจะช่วยเขาก็ยังได้อยู่ หรือว่าถ้าเขามายืมแล้วเอาเงินไปใช้ในทางที่เสียหายกับตัวเขาเองก็ไม่ควรจะให้เขายยืมเงินไปซื้อยาเสพติดยืมเงินไปเที่ยวยืมเงินไปซื้อสุรายาเมายืมเงินไปเล่นการพนันอะไรทานองนี้แต่ถ้าเขายืมไปเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปซื้ออาหารให้ลูกอย่างนี้หรือว่าไปไปเรียนหนังสือไปเสียไปเรียนพิเศษอะไรอย่างนี้ ถ้าเราอยากจะสนับสนุนการทำความดีของผู้อื่นเราจะให้ก็ได้ถือว่าเป็นการทำบุญไปอย่าไปคิดว่าเป็นการยืมเงินไปคิดว่าเป็นการทำบุญดีเราไม่ต้องไปที่วัดเนี่ยอย่างนี้จะเห็นเราจะได้รับความสุขจริงๆเพราะเราเห็นผลที่เกิดจากการทำบุญของเราว่ามันเกิดผลอย่างไรถ้าเราไปทำบุญที่วัดบางทีเราไม่รู้มันใส่ตู้บริจาคไปแล้วมันจะไปทาอะไรต่อใช่ไม มันจะไปถึงหรือเปล่าก็ไม่ถึงคนเดียวคนมาเก็บเงินนี่ยมันอาจจะยักยอกไว้เมื่อไหร่นี้เงินทอนเอนี่ยนะเนี่ยบางทีเราทําบุญกับวัดบางทีเราไม่รู้สึกจะมีความสุขเทา่าไหร่เพราะเราไม่รู้ว่ามันไปถึงไหนแต่ถ้าเราทําบุญกับสิ่งที่เราได้สัมผัสรับรู้ทันทีเนี่ยมันจะมีความสุขปล่อยนกปล่อยป ล, ยปลาเนี่ย ร, รู้สึกเออเขามีสละภาพเนีเราถึงนิยอมใส่บาทกันว่าอย่างน้อยใส่บาทพระจะได้กินข้าวเห็นไหมเห็นชัดๆัดนี่ น, นี่ก็คือวิธีทาบุญต่างๆที่จะมีผลก่อจิตใจของเราเอาแล้วนวันนี้สำหรับคำถามทางภาคภาษาไทยต้องขอภอภัยเพราะวันนี้มีทางภาคภาษาอังกฤษเขามีคำถามเข้ามายี่สิบกว่าข้อด้วยกันก็ขอจบการแสดงไว้เพียงเท่านี้อนนขอให้ท่านทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ